ช่างความคิดภายนอกภายในนั่งอยู่กับองค์ลิ้นองค์ฟันหรือเฉยนั่งกับศพต้งเหนือยงก์นา น, น, นติดกรตังไม่อยู่กับจิตเลื่อนลอยยืนเดินนั่งนอนมีแต่ความเลื่อนลอยเลื่อนลอยใช่ไหมล่ะแม้แขณะดพมนาก็ยังเลื่อนลอยเราจะหามา่อคนนิพพานติดไหนว่าคนนีิพพางไม่ได้อยู่สถานที่เลื่อนลอย ไม่ใช่ทําเลื่อนลอยมันเข้ากันได้เลยแล้วคิดถึงเรื่องพุการนี่นั่นหนักเป็นเครื่องทาใจของเราให้กล้าหารชานชัยให้ดูดดื่มพระพุทธเจ้าคงเพระองค์แม่ทรงฝ่าอุปสรรคนานานประการ เก็เป็นเกิดตายผู้ใดมาถึงได้แตรู้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาเราถือท่านเป็นตัวอย่างถือท่านเป็นเมต谛แบบจบับ่ะถือผู้ใดที่มีกิเลมนมากกว่าุดถือพระพุทธเจ้ามาทำพร้สงอย่า ง, งากล้าคิดสนิทกับใจพระสงฆ์สาวเราก็เห็นตา้ในประวัติของสาว ไม่ว่าองค์ใดมาจากส ก, กุลใดแม้เอาเรื่องราวนิสิตนิสัยของส ก, กุลนั้นๆมาใชา้มาเอาหลักธรรมหลักพื้นในเป็นคติตัวอย่างเป็นจจดิตนิสัยไปเลยถ่ายเทออกมดจจดิตนิสัยที่เคยเป็นมาจากพระวา่าเกี่ยวกับหงอ์สมบัติประสาทความเป็นผู้ใหญ่ น้อยเป็นผูย้ยำหน้าละลร ต, ตัอดออกหมดไม่เยอะเลยนั่นสร้างเอาใหม่ซึ่งเป็นอดิตนิสัยที่กลมคืนกันด้วยธรรมพระมหากระสับ ท, ที่ อ, อกบวดแดยขั้นพิการมีไม่น้อยทีกุดุมพีพอค้าไปประชาชน จนกระทั่งคนทุกข์ร้าเโ็นใจพระพุทธเจ้าทรงรับเป็นลู้กิตติคาคนหมดไม่เห็นแต่ว่าคนนั้นมั่งมีคนทุกข์โจนก็ไม่เป็นอย่างนั้นเพราะทำให้ความสมนราภาคให้ความร่มเงย็นเกนทุกหัวจใจไม่แร้ไปหาความร่มเงย็นเฉพาะคนมั่งมีซึ่งอาศัยวัตถุเป็นที่ตั้งทำไม่ใช่วัตถุทำเพื่อจิตใจ จิตใจดีทุกสิ่งทุกอย่างก็ดีหนไม่ช้าแม่คองผู้มักับการทหารออกมานีลักษณะมาเล่าจะไม่ถึงกับมางแต่ามาพูดนี้นได้กปิ่นเราเราเบือ่อมาพูดข้้งน้นเคยมาทั้นหลายหวนแล้วมาครั้งสุดท้ายก่อนครั้งนี้อยู่้ มีผู้หญิงคนหนึ่งเขามาเล่าหลวงพอลนาะห่งมาก็ับปนี่แหละหลายคนด้วยกันนานั่งคอลานาตัวมักโยกคลอนตรงทำยังไงเราะว่าอย่างนั้นแต่เราจำาได้อธิบา ย, ยแต่เราถืออันนี้นเป็นเถิดตินกระ บ, บางค น, นแต่งานของโลกเขาก็ยังมีโยกมีคลอน งานทานาไม่ใช่งานคนตายผู้ภาวนาไม่ใช่คนตายทำไมจะกระดุกกระดิกโยกยครอนบ้างไม่ได้งานเลื่อนไม้สายกบงานสันมีฟันขวานเป็นงานโยกตัวเคลื่อนไหวตัวไปตามจังหวักของการทำางานนั้นๆอินไปนี้ห่ืง ยอนกลมาหายทกินเหล้าเมาเหล้าจนหัวพัดหวองนีไม่เห็นตําหนิการงานมโยกตัวควนนั่งกัตําหนิตํานินตําหนิตรงที่มันเป็นโทษเลยที่งานมาทีอะไรเขาจะเก็บจะบังเนี่ยเราเมาจนหัวัหัวฟ ติไม่อยู่กับตัวไม่เห็นต่ำหนึ่งกันจะทำขนาดเป็นบ้า น, นาหรือที่มีตำหนกันเอาวางเหมือนที่คนเราพิจารณาไม่เป็นอัดเป็นธรรมในดวงความสะนั้นฉนันถ้าเป็นทางดีงมมแล้วคอยจะต่ำหนึ่กันถ้าทาไม่ดีแล้วไม่ต่ำหนน่ะ มันเราเห็นไหมเรื่องพระจับคกูบาลนี่ชายคนเดีย ว, ว อ, ออ ก, ก, กมาบวชก็หนึ่งปีกลับมาเห็นคนท้าเอาอาหารที่บูชที่เสียแล้วไปทิ้งท่านไม่ทิ้งอหม้อส บ, บายเนี่ยดีกว่าจะไปทิ้งกันหรอก คนไทยคนนั้นเขาก็มองหน้าอินเป็นเล่าทางหน้าทางเหมือนกับรัูบาลผู้เหมือนกับไม่ใช่รัฐบาลเหมือนเหมือนรัฐบาลนั่นท่านมาห่วงใยรุ่นวายตระกุลอะไรดูบินีนกระบะมาธรรมดานั้นผู้มุ่งอัศมุขธรรม ต้องไม่สนใจไม่ยุ่งไม่บุ่นวายกับโลกสงสารกับสกุลนั้นสกุลนีน้มีความหลักแน่นในธรรมเสมอผู้ที่จะตอบถอนกิเลสขั้งพุทธบาลขั้งพุทธการองค์ไหนบมดมามีแต่จ่อการแก้กิเลสมนองมดขนุนัน้งมวดคุณเมทีนจ่อกันเลย ใครดีใครอยู่ใครไม่ดีตบเวทีลงไปอื่างนเราม่เห็นเจ้าเขาคิดเหตุว่าใครดีใครอยู่ใครไม่ดีตบเวทีส่วนมากมันขึ้นไปยังไม่เลยเหยียบบนพื้นเวทีถูกที่เหตุมันเตะหงายไปแลี้ยมันไม่มีค่าต่อสู้เลยถูกมันต่อยซะก่อนต่อสู้กันนั่งกับความเชื่อ เราคิดถึงเสนอคำถานเราเสมออย่าปล่อยใจไปกับคนอื่นเรามา อ, าาอัตาธรรมในล้นนี้เรามาถอดถอนสิ่งไม่ดีซึ่งมีอยู่ในหัวใจเรานีนเรื่องโล ก, กมีแต่ตเรื่องอย่างเดียวกันกับที่มีอยู่ในหัวใจเราไปสนใจมันทำไมของเราก็มีอยู่แล้ว เรื่องความโลภความโกรธความหลงความรักความชังสมบัติประทานเราก็เคยมีมาแล้วอาศัยวิจิตร น, น, นันท์วันทองความเฉลี่ยสารตั้งดอกรันเราเคยมีมาจนแต่ดั้งเดิมโลกสมมุติมันก็ต้องเฉลี่ยสันปั้งดอกันเพราะโลกสมมุติจก็ต้องมีเขาทำไมหน้าไม่เคยมามีอย่างนั้นดั้งเดิมตามความสมมุติของโลกเมื่อมีสมมุติแล้วก็ มีตีขินมี ท, ทานมียกยอสนงเสริสเสริมสรรพันยอขึ้นธรรมนานเราผู้ปฏิบัติธรรมอย่าไปหลงด้วยเสริม ส, สันปันด อ, ด อ, อาดาเราอย่าไปหลงความรับความชางคือให้ิดผลให้ประโยชน์อะไรเกิดเอาบ้างผลเมื่อมันเกิดขึ้นมาเป็นยังไงเขาเห็นมีความสุขขึ้นโดยมีความสงบเย็นใจไม่วนลาให้มีความ ถึงก <accurately S 2> ับให้เกิดความป่องใสเพราะความรื่นเรมันเทิงกับสิ่งนั้นเวลาจะเกิดความป่องใสเกิดความสงบเพราะการปฏิบัติธรรมเวลาจะได้สุขมีความสงบเย็นใจเพราะการปฏิบัติธรรมต่างๆไม่ใช่เพราะความฟุ้งเหรืออคิดทีนี้เนี่ยลูกเนีสงสาซึ่งเป็นการสัสมกิเลสโดยไม่รูตัว ใจของเรานี้มันไม่เลือกการสถานที่เยาบทนะให้เข้าใจไว้ว่ามันสังสมที่เด่นได้ทุกๆุระยะไปทุกๆุกขณะถ้าเราเผอเดินจงกรมอยู่นันก็สัสมที่เด่นได้นั่งภาวนาอยู่มันกับสังสมที่เด่นได้เยาะบททั้งสี่นทุกเวลามันมีทางสังสมที่เด่นได้ทั้งนั้นถ้าเราเปิดตัวเมื่อ ต้อง ต, งตั้งสติว้ในการักษาตัวการต่อสู้ก็ต้องมีหนักมีเบามีทุกมีลําบากไม่ฉะนั้นก็ม่เรียกว่าการต่อสู้โดยที่เฉยก็ไม่เรียกว่าการต่อสู้แล้ไม่เฉยเรามีสติตั้งพยายามต่อสู้กับสิ่งที่เคยเป็นขัดจิตต่อเราซึ่งอยู่เนื้อหัวใจเรามานานพ ย, ยายามแก้นี่ย ใครไม่เคยเห็นเรื่องนักปุณธ์ทางจึงไม่กระตือรน้นเคยเห็นสิ่งที่เคยมีในโลกนี้จึงปากฏกระกกตือรน้นนะสิสิ่งที่ก็ไม่เคยเห็นก็ไม่ทราบกระตืรอร้นนังเราที่ไม่เคยเห็น่าตามเราเป็นผู้อยู่ใกล้าทาี่ต่อสรตว์นักธรเป็นผู้ปฏิบัติโลก ปิดตาว่าเรายังไเห็นความมิสศรสัทธาที่เศษขึ้นทำถึงกับขั้นปฏิวิลบลันตา่างให้เราเริ่มจิตของเราด้วยกิตตภพมาโดยความมีสติเอาจริงเอาจริงตั้งแต่ทำให้เป็นเมตตุลงเพราะให้เกิดผลขึ้นมาในขั้นเดิมเป็นจิตมีความสงบตัวขาจากอารมณ์ทั้งหลายหรืออย่างน้อยเบาจากอารมณ์เป็นเบื้องต้น คาดจากอารมณ์ในลําดับต่อไปนี่จะเป็นช่วงระยะหนึ่งก็าตามเราจะเห็นอะไรบ้างอยู่ในจิตนะไม่ต้องบอกอืความสงบมีแล้วความเย็นใจความสุขมีมาเลยยิ่งจิตคาดจากอามณ์ในขณะสมาธิไม่สึกต่อกับเรื่องอะไรเลยเหลือแต่ความรื่นริงนั่นแหละคือความสุขแท้ ทำด้านธรรมะเป็นคำ ว, ว่าความสุดแท้นี้ไ ม, ม่หมายถึงแท้ที่สุดแห่งธรรมที่สุดแห่งกิจที่สุดแห่งนอกปุิุภารแต่เป็นความสุดแท้ที่ไม่มีอะไรเพืบอแฝงด้วยยาพิษ mm hmm. เหมือนอย่างความสุขในทางโลกต้อง mm hmm. หมายเทียบกันอย่างนั้นต่หา mm hmm. เพียงขั้นนี้เราก็พอมีความสุขแล้วพอจะมีแก่ใ จ, ใจและพอเป็นหลักฐานพยาน ยืนยันต่อทำเบื้องสูงขึ้นไปว่าจะต้องเป็นไปจากนี้หลักฐาเพยานได้แล้วยู่แล้วเห็นแล้วความแปลกประหลัดครามาัาแย้งพันธุ์จิตของเราแม้ชั่วขณะดเดียวเท่านี้พอพอให้เราภูมิใจได้แล้ ว, ลวยิ่งเลยปัปฏิบัติให้ละเอียดละออยิ่ึกซึ้งยิ่งกว่านี้จะเป็นอย่างไร จิตมันฆ่ามันมั น, ม, นมันซึ่งไปเองไม่ได้ว่าฆ่าขมีหรือะไรหรอกคือมัซึ่งซงไปแต่ไม่มีอะไรปรากฏเลยแม้นัก บ, บวชก็อยากเข้าใจว่าจะมีความสุขนะความสุขไม่ได้เกิดอยู่ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะการไม่ทำไร่ท ำ, าท ำ, ทำาทนทำาทารัวทำสวนช่ถูกขายแตงทำพระราชกิจทาราชการงานอะไเป็นความสุก ถ้าไม่ทําสิ่งเหนี้ไม่มเพียงเท่านั้นในขณะที่มันไม่ทําสิ่งนั้นแต่มันก็สั่งสมพืนไฟวิเลปปัญหาราคะขึ้นภาในใจิตใจให้เป็นไฟเผาตัวอยู่นั่นแหละนี่เมื่อสิ่งเหล่านี้สั่งสมตัวขึ้นมาพึกตัวขึ้นมาโดยลําดับแล้วผลมันแสดงออกมาจะเป็นทุกข์จะเป็นอะไร นี่แหะทุกทังใจมันมีอยู่ภายในจิตมันเลือกว่าเป็นนัก บ, บวช ด, ด้วยคาววะเพราะไม่กลัวพ้าเหลืองไม่ไปกลัวชีสาล้นล้นวิเศษทั้งหลายไม่กลัวกลัวแต่สะติปัญญาสัท ธ, ธาความเพียรกลัวเท่านั้นอันหดที่เกยกลัวเราต้องการจะถอดภัยวิเศษนึ ตาตามที่เด็ดให้ขึ้นซางลงไปอันใดที่เด็ดกลัวเราต้องฝั่งสนหรือเราต้องพยายามฝึกฝนอบรมสิ่งนั้นขึ้นมาให้ใ ม, มีความสันนิชันมาที่มีความแต่กล้าสามารถเช่นสติปัญญาเป็นสําคัญจิตที่ว่าแวกควานแกนไปมากน้อยเชิงใดก็าตามถ้าสติปัญญาเป็นผู้ควบคุมอยู่เสมอจิตนั้นจะมีความสงบได้ไม่ผ่าโถน ไปตามอารมณ์บ้ากิเลส ข, ของตนอันีสิ่งที่ ห, ห้ามอีกหน้ า, าก็คือสติก็ปัญญาทุกข์ก็ทุกข์ซึ่งเกิดจนตายนี่เราเกิดมาำทำซ้ำซากเกิดกับตายก็คือความทุกข์นั่นเองเกิดก็ตามเป็นอยู่ก็ต า, ต, าตามตายก็ตาม มันเป็นเรื่องของทุกขังนันที่เรยกว่าทุกขั ง, งอเ น, นียกจัดจังชาติปิตุขขาเนี่ยเกิดก็เป็นกาาปเกิดชาาปิทุขขาเกิดก็คือทุกข์ไป น, นำปิตุกขังเกิด ค, ความตายก็คือความทุกขนะ์ท่านว่าไว้ตรงไหนมั่งเนาะคือความจุกแน่เรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องของเราที่เคยแบดเคยหามเคยกระทบประเทืนมาได้รับความกระทบกระเ ท, ทือนมาแล้วทั้งนั้น มันไม่นาสงสัยยังมีแต่ว่าความไม่เกิดไม่มีทุกข์ทุกขังอัิอาจฉาตาสัะควา ม, มเกิดไม่มีทุกข์ยังไม่มีในหัวใจเราความสิน้นกิเลสไม่มีทุกข์ภายในใจก็ยังไม่มีในใจของเรายิพทานาังปรมาสุขขงังหรือว่าสาัพพาิเสสสัญญานอนุพ า, า, าริเสสนิญญานสิ้นกิเลส โดยสิ้นเชิงแล้วยังเหลือแต่ความรับผิดชอบในขันที่เรียกว่าสาุปาทิเสอนิพพานและสิ้นกิเลสเนื้อโดยสิ้นเชิงด้วยขันนี้ก็จะสลายตัวลงไปแล้วด้วยเป็นอ น, นุพาติเสอนิพพานโดยสมบูรณ์คือไม่ต้องรับผิดชอบสิ่งใดขึ้นชื่อว่าสมมุติแม้ละเอียดเพียงไรก็ต่อโดยสิ้นเชิ ง, ง, ชงนี้ยังไม่มีในจิตใจของพวกเรา แล้วปราดทั้งหลายท่านชมเชย อ, อย่างยิ่งด้วยคนโง่คนโง่ทชมเชยสิ่งที่ต่งสิ่งที่ชั่วว่าเป็นของดีปราดทั้งหลายชมเชยสิ่งที่ดีว่าเป็นของดีสิ่งที่เลิศว่าเป็นของเลิศรู้ตามความจริงชมเชยตามความจริงไม่คิดไม่เปลี่ยนไม่เสดจไม่สัน ไม่ดิดไม่เดี้ยวให้เป็นอย่างอื่นอย่างใดาจากหลักความจริงที่มีดังเดิไม่เหมือนโลกโลกเอาประมาณมาได้ๆชอบอะไรประเสรสฐปั่นกันขึ้นมาเด็กทั้งนึงมาก็เหือกันเหื่อกันเป็นมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วคทำเหื่อกันหลงกันนี้ก็เพราะเรื่องของกิเลสนั่นเองก็แสดงให้เห็นนะจัตวาถ้าเราจะดูมันก็รู้มันทั้งนั้นแหละดูทำกับกิเลสมัน ไม่ฉากเดียวกันมันเห็นดูทร ม, มก็รู้เรื่องของกกเรดด้วยไม่รู้เกียงแต่กำเอาให้หนักมือลงไปถอยทำไมความท้ อ, อ, อแท้แดงตามยถากรรมก็เป็นมาแล้วนานแล้วได้ผลประโยชน์ะไมีความจริงความจังิงสั้งสติให้ดีอย่าลดหย่อนแล่อ่อนเอในความตั้งสติ มรรผลนิพพานนี่จะปรากฏขึ้นมาได้ด้วยอำนาจของความภาคเพียรของความอดทนมีสติปัญญาเป็นเครื่องมือเป็นเครื่องมือสำคัญชันท่ในอิทธิบาทสีให้พอใจในความภาคเพียรเพื่อมรรคผนิพพานวิริยะเอาชันทะาพอใจวิริยะภาคเพียรจิตตอย่เอากิตใจ สติห่างเหินจากจากความที่มังสาจะคิดจะพูดจะทำอะไรคองเคลื่อนไหวของกายวาจาใจให้มีปัญญาพิจารณารอบตัวอยู่เสมอไม่ว่ากิดหน้าการใดท่านเรียกว่าอิทธิบาททั้งสี่ไมว่าจะไปะหาที่ไหนอิทธิบาททั้งสี่ทำมัญหาในหัวใจเราหาในตำลาก็มีแต่ชื่อ ตัวอิทบาจริงๆไม่มีในนั้นฉันทะมนี่จะอ่านหนังสือเป็นฉันทะผู้ที่จะทำฉันทะให้เกิดพอความพอใจให้เกิดเป็นใครขึ้นมาจะเราวิริยะผู้ที่จะเพียนตัวหนังสือเร่อเพียนอ่านมานันตั้งคำกับวิริยะวิริยะอย่างนั้นมันดูกับคนอืตัวฉันทะวิริยะจิตติมังสาตัวอธิบาทสิ่งอยู่ที่นี่ เมืองบำเพ็ญนี้ให้เป็นสมบูรณ์แล้วมรรคผลนิพพานไม่ต้องถามจะถามได้ไรมันเพราะสิ่งเหล่านั้นอยู่ที่นี่ไม่อยู่คือการนุ่นสถานที่นู่นเวลาเมือ ง, ง, งนั้นเมืองนี้เมืองไหนก็เป็นของท่านผู้รู้อยู่ในเมืองนั้นสถานที่นั้นเวลาเท่านั้นของท่านกิเลสไม่มีการไม่มีสถานที่ การประกอบความเพียรเพื่อมาปุริภารเราจะคิดเึ่งกาหาแต่การสถานที่อย่างนั้นมันไม่ทันกับพิดเดชซึ่งไม่นิยมการสถานที่นิยมแต่การสร้างตัวเองมันมีพลังหรืออำนาจมากขึ้นเรือครอบหงำใจจัดโลกเทนั้นเรื่องข อ, องพิเดชมีอนาจเพราะฉะนั้นเราจะทําอย่างไรจึงจะมีความเฉลียวฉลาดสามาร ถ, าารถทันกับเหตุการ คือปิเด็กที่แสดงตัวอี่ตลอดเวลาภายในใจของเรามันสามารถตอดถอนมันหรืองับดับมันได้เมีอุบายวิธี ก, รการต่างๆของเราให้เล่นผลขวายการอยู่ด้วยกันไม่ใช่เป็นของแน่นอนไม่ใช่เป็นของกีรังถาวะความบักงบ้าจากไปมันมีอยู่ทุกหย่อนว่ามีอยู่ทุกหแห่งทุกฝนทุกบุคคลทุกเราทุกท่านเวลาอยู่ด้วยกัน โอกาสที่จะพยายามประกอบความเท่เทียมตักตัวเราให้เป็นจะสิทธิ์ในความสามารถก็ให้รีดทำเสียครูบาอาจารย์ที่ให้อุบายถังสอนที่จะให้ถูกต้องแน่นยันรืเป็นที่กินใจสับนิสัยของเรานั้นมีน้อยไม่ใช่จะมีอทุ่แหท่ทุกคนทุกตะบลหมู่บ้านไปสถานที่ประกอบความเท่เทียมก็เหมือนกันไม่ใช่จะได้ทุกสถานที่ที่เราต้องการไปเพราะเวลานี้ เปนเวลาโลกปีนัดติดหายโลกเป็นสัตว์อยู่สถานโลกเป็นนั้งเป็นทีการประกอบความภาคความเพีนยนในสถานที่ใดก็ลําบากโลกมันเปลี่ยนแปลงีนเรื่องของเองมันเปลี่นนั้นมันมีที่ไหนมากๆมันก็ทําให้เกิดความเดือดร้อนมากทํามีสถานที่ใดก็ทําสถานที่นั้นผคนนั้นให้เย็นเห็นกันดีชัดๆอย่างนี้ถ้าใครจะเทียบกดเทียบ เ, เอา โทษกับคุณยังมีอยู่ด้วยกันถ้าจะดูเห็นทั้งโทษทั้งคุณเรื่องของที่ เ, เป็นยังไงมันให้คุณยังไงบ้างเราก็พอสาราบได้คนทุกข์ทุกข์เพราะกิเลสมันกนะิเลสให้คุณนะโลกไม่ควรจะทุกข์ไม่ควรจะบ่นกันม่นคนที่เดือดร้อนกันนี่เพราะอำนาจของกิเลสมันให้ทุกข์ถ้าจะเห็นโทษของมันก็ควรเห็นถ้าจะลดหย่นอนผ่อนเบาแม้ละไม่ได้ถอนไม่ได้ยังไม่มีบาสติปัญญา รู้เท่าทันพอที่จะประกอพร้ อ, อมเราจะเจอได้ก็บมีนรู้จักประมาณเรีนรู้ความพอดีเรียนรู้นิจิโรบิปิตัว อ, อย่าให้มันเผาแล้วมีไม่มีอะไรเหลือเลยสิ่งที่ถูกต่อคู่กันบ้างแต่นี้ไม่เป็นอย่างนั้นนี่แหละโทษอที่เนเล็กะ ดูที่ไหนก็ไม่เคยให้คุณแตกไทยมีมากมีนอ้อยแต่แสดงความทุกข์มากน้อยขึ้นตามสาเหตุที่เดชที่มเกิดขึ้นที่มันมีอยู่นั่นแหละนั่นแต่ภาในหัวใจเราเข้เหมือนกันที่เดชตรงนีอยู่นี่นั่นถ้าสติสตังขาดไปเมื่อไหรแล้วที่เลชก็เลยสังสมตัวขึ้นมาได้แล้วแผนน่อํำนาจถ้านั่งภาวนาก็ตัวร้อนตรงน ปางดวงบอกไม่เป็นท่าหนังสมาธิทำไมเป็นท่าเพราะมันไม่เป็นท่าอยู่ภายในมันปัดมันแกงมันรื่งเยือหมังวายมันอึดหนาและอาจียมันอ่อนแอไปหมดนี่ถ้าี่เลสได้เข้าเหยียบย่าที่ตรงไหนแล้วมันอ่อนเปียกไปหมดมันไม่มีความคืบขังตปนการที่จะประกอบความพ่างทีดอะไรก็แบนั้นแหละก่เลสมันไม่มันยำนาจมันบังคับ ร่างกายจิตใจมานะให้อ่อนตรงนี้จะยกความเพียรก็ไม่ได้เดินนยังคงก็สัต์แต่ว่าเดินอติเลื่อนมาไปไหนก็ไม่รูน้นั่งก็สแต่ว่านั่งอมฟันนิจเฉยดีไม่ดีสัต์ตั้งหงอกงกนั่นนิยมหมดทั้งจีว์เจ้าของเข้าใจว่เป็นความเพียรแต่มันเป็นเรื่องความเพียรเพื่อสะสมกิเลสตเสียโดยเราไม่รู้สึกตัวไม่ได้เป็นความเพียรก็ ปลอดถอนพเดียเพราะความมีสติมีมนกาเป็นความมมีสติหรือปลอดถอนไม่สั่งสมเดียเพราะเขาไม่มีสติถ้าเรื่อชอบคนโง่ันเซอร์ธรรมะชอบคนฉลาดคนมีสติปัญญามีศรัทธามีความเปี่ยนเวลาอยู่นี้ก็รีดประกอบเนความเปีย น, อ, นอย่างนี้จากหลักศาสนาอย่างนี้จากหลักสุปัฏฐานอยู่กับที่นี่เพยงตัวนี้แหละมันปกคุมหมุ้มหอมมรรคผนิพพานอยู่ศาสนาสองประเภทคือทุกข์กอสมุทัยนี่เป็นเครื่องปกคุมไม่มีกาเวทนานี่ก็เป็นเครื่องปกคุมเวทนาสุขเวทนาเกิดขึ้นหนึ่งก็หล ง, หงก็ลืมตัวเสี้ยวทุกเวทนาเกิด กระลนกระนตัวเสียเฉยเฉยเกิดขึ้นมันก็ลืมตัวเสียหน่อยจิตการิจารณ์จิตทำ จ, จิตไม่ทราบเป็นยังไงทั้งหที่มนมาทมันทำอะไรกันจนมีมีนิวรณทำเป็นต้น ม, มันเต็ ม, มในหัวใจแต่ไม่รู้นิวรณเป็นไง ตอนนีแหะมันถึงตกปิดจิตใจได้อย่างนี้ป็นมองหาจิตไม่เจอมีแต่รู้เยอะเถื่อแล้วความสว่างสว่างค ว, มวามแปลกายภายนจิตไม่มีหาความสุขไม่ได้ทาเป็นอย่างนั้นเพ่ของพระก็พระเถอะหาความสุขไม่ได้หนึ่งนั่นนงทำงานสมาธิยืดตักลเสยงแต่ไม่ได้ทรางา น, น, นเลยมันเป็นความทุกข์ ยาลำ บ, บา ái, กเพราะการวิ่งเต็งของฝายเหมือนโลกเขาก็ตามแต่จิตังมันวิ่งเต็มของว่ายคว้าเอาไฟอุดค้นหาไฟมาเผาตัวเองแล้วมันจะเกิดความสุขที่ไหนถ้าจิตเล่หาความสงบไม่ได้ไม่มีสุขสมณะของเราใจสงบได้มีสุขเริ่มมีสุขาาทางคิดลายแสด็จง่าต่าง ที่มันเคยคึกขนองมันก็สงบตัวเข้ามาสงบตัวเข้ามาเมื่อจิตมีความสงบเป็นอย่างนั้นสงบก็มากเะ่าไรก็ยิ่งปล่อยความกังวลภายนอกเข้ามาเลยมากและปัญญาอย่า ง, งนั้นไปจริงเมื่อจิตมีความสงบบ้างพอเป็นบาตเป็นฐานของสมาธิขั้นนั้นแล้ว เ, เร่งปัญญาพิจารณาที่ครายดูเรือ่งองอุจจารทุกข์ของตาเป็นอยู่ในอวัยวะของเราทูดขึ้นทุกฝันไม่เว้น เป็นไปหมดด้วยตจรักนิจังทุกขังตาอาการใดดีลักษณะใดของใจรักที่เหมาะกับจิตนิสัยของเรากําหนดลงไปในใจรักใดใจรักหนึ่งอาการหนอาการหนึ่งมกระจายชั่วทุกันหมดเรื่องนิจังทุกขังตาเป็นตัวสมาธิปัญญามีมันจะไม่ซึมเศ้าอย่างลงไปถึงเหตุถึงผลถึงหลักความจริงได้ ในเหล่าวิธีการปฏิบัติตัวปฏิบัติอย่างนี้แบบคิดเปลเร่เร่นอนนอ้ทำนองทางนี้คิ้นลงในสัจจะธรรมทุกขสุโมทยัยเป็นสิ่งปกปิดกำลังจิตใจนักคือข้อปฏิบัติมสมาธิปัญญาเป็นต้นเป็นเครื่องบุบิกทางหรืเป็นเครื่อ ง, อ ง, อ ง, งระงับดัดกิเลศตะโกเภลิดเป็นกายเป็นนโิโรธ คือความดับทุกข์ขึ้นมามีเท่านี้ไม่มีอะไรที่จะมากันก้นกางมาผลนิพพานนอกจากทุกข์กับสมุทัยเป็นผู้ขั้นกางซึ่งก็มีอยู่ภายในจิตใจของเรานี่เอ ง, เองไม่มีอะไรที่ทจะเป็นมีเศษวิโสมาบุเบิลทางเดินเพื่อมาผลนิพพานได้นอกจากสี่สีสมาธิปัญญาก็ไม่มีที่ไหอีกเหมือนกันคำว่าความดับทุกข์ดับทุกข์ถ้าไม่ สติปัญญาเป็นต้นเป็นเครื่องดับไม่มีอะไรดับได้เลยดับทุกนี้จะมีอยู่ตั้งกับตั้งการทุกข์ร้อนดุ ก, กันอยู่ตั้งกับตการทุกชาติทุกภพหาที่สิ้นจบสิ้นสุดจบสึ้นลงไม่ได้เลยถ้าเราไม่ดับมันด้วยเจตนาศรัทธาความเพียรสติปัญญาเป็นอาวุธสําคัญไม่มีทางดับได้มีความจรเป็นอย่างนี้ เราจะเชื่อความจริงนี้จะเชื่อความปลอมความปลอมนั้นเราเชื่อมันนานแล้วความปลอมนั้นเราไม่ปลอ่อยถึงโทษของมันได้เลยคำ ว, ว่าปลอมคือไม่จริงรอกี่เวลาของจริงก็คือทรรพอให้ได้อย่างนี้การตูวเหองทุกคน เพระนันบวันนี้รู้อยู่่นพูดเตียมดังไม่ได้